ช่วงนี้เราออกไปเดินจงกรมนะท่านจะได้เปลี่ยนอิเดียบทแล้วก็ข้างนอกรู้สึกจะเย็นกว่าออกไปสูดอากาศสักพักนึงแล้วก็สามทุ่มค่อยกลับเข้ามาครับเรามานั่งสมาธิกันเชิญกลับพระและ้วก็ออกไปเดินใครจะดื่มน้ําไปเข้าห้องน้ําเดินจงกรมอาศัยอิเดียบทรวมๆไปเลยนะครับแล้วก็ละความปรุงแต่งไว้ ตอนนี้โจท์หนักโจทย์ใหญ่ของเราคือราการปรุงแต่งในในใจไวๆเชิญครับโดยอาศัยฐานกายเป็นที่ตั้งลองทำจริงๆดูนะสักคอร์สหนึ่งอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ทั้งสังสารวัตนี้ไม่เคยเจอเลยก็ได้ทำให้จริงๆสักครั้งทำเล่นๆกันมาหลายชาติ ถึงจะเอาจริงก็บอกอไว้ชาติหน้านะจนนี้ชาตินี้แล้วก็จะไปชาติหน้าต่ออีกไม่รอชาติไหนแล้วเอาเดี๋ยวนี้เลยทีนี้เพิ่มโจทย์เข้าไปหน่อยถ้ากําลังเดินจงกลมแล้วมีสติระลึกได้ว่าเรากําลังคิดให้หยุดเดิน หยุดเดินรู้ลมจนกระทั่งคิดดับแล้วค่อยเดินต่อหยุดทุกครั้งที่เพ้ อ, อ, อไปคิดพอมันดับแล้วค่อยเดินต่อไอ้ที่คิดว่าเราคิดหรือเปล่านี่ก็หยุดนะ เวลาเราเดินความจริงพอเราตั้งใจเดินแล้วเนี่ยมันไม่ต้องสั่งซ้อนเข้าไปหรอกมันเป็นความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเฉยๆหรือแม้แต่เราเดินสุดทางแล้วมันกลับเนี่ยเราไม่ต้องคิดกลับมันก็กลับอยู่แล้วแต่วันนี้ด้วยความสับสนที่เราอยู่กับการปรุงแต่งจนมันงงว่าถ้าเราไม่บอกให้มันกลับมันจะไม่กลับลองสิมันจะเดินชนฝาไหม เวลาเราปวดฉี่ต่อให้เราไม่สั่งขันก็เดินไปฉี่แต่เราต้องมาคิดซ้อนว่าเราจะพามันไปฉี่มันจึงเป็นการสร้างการปรุงแต่งที่เรางงไปหมดวันนี้เราจะมาถอดถอนทำอย่างเดียวคือพอมันคิดแล้วละกลับมารู้ลมละกลับมารู้ลมขันทำงานได้เองแล้ววันหนึ่งมันจะงงวันนี้เราไปอยู่กับการสั่งซ้อน เหมือนเมื่อกี้ถ้าผมนั่งแล้วปุกจะหายใจแล้วผมบอกให้ปุกหายใจผมไม่พูดปุกก็หายใจละออกไปให้หมดแล้วเดี๋ยวจะเห็นความจริงเพราะวันนี้โดนโมหะเนี่ยคลุมหมดทุกอย่างแล้วนึกว่าเราต้องทําอะไรเพราะเราสั่งมันเลยกลายเป็นเราสั่งไปหมดปกติขันเนี่ยหิวเนี่ยมันก็สแสวงหาอาหารได้ ให้เห็นลงไปดิบๆอย่างนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาเข้าใจเรื่องของสติปัญญาตามมาอีกทีหนึง่งละออกไปให้หมดอย่ามัวสงสัยหมดคิดนะถึงจะรู้ว่ามันไม่ใช่เราวันนี้ความคิดมันปิดพังทุกอย่าง เดินจงกลมเนี่ยถ้าต้องการให้สมาธิเกิดมากๆก็แนบแนบใกล้ๆเอาจิตไปแปะไว้ที่หลังเท้าเนี่ยนะคะแนบไปกับหลังเท้าเดินแล้วก็แนบแนบแนบแนบไปทีนี้พอจจัยแวบไปคิดก็หยุดเดินอาจจะกลับมารู้ลมทีหนึง่งแล้วก็กลับไปแนบหลังเท้าแล้วก็เดินต่อแบบฝึกไว้ ตอนนี้เราอยู่ในกระบวนการฝึกจิตให้ตั้งมั่นนะครับเหมือนการกระโดดลงจากเวทีแล้วก็มาเข้ายิมตอนเข้ายิมก็คือตอนฝึกกำลังกระโดดเชือกกำลังต่อยกระสอบทรายกระสอบทรายไม่ใช่คู่ต่อสู้แต่กำลังฝึกเมื่อกำลังสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวเราจะกลับขึ้นเวทีอีกครั้งเห็นตอนนี้ นักมวยทั้งหลายกำลังฝึกต้องรู้ว่ากำลังฝึกต้องมุ่งมั่นแล้วก็ให้ความสำคัญกับการฝึกพอสมาธิแนบดีแล้วการปรุงแต่งจะค่อยๆหยุดไปจิตถึงจะตั้งมั่นขึ้นมาพอจิตตั้งมั่นขึ้นมาการพิจารณารมหรือการเห็นทมไม่ยากวันนี้ที่มันทำไม่ได้มันเองไปทางความคิดของอวิชชาทั้งหมด รู้จักผ่อนรู้จักเร่งนะครับรู้จักผ่อนรู้จักเร่งเสียงกระทบก็สักแต่ได้ยินแล้วก็กลับมาอยู่กับองค์บริกรรมไม่ต้องไปปรุงต่อบางคนก็จะเห็นใจมันดิ้นมันอยากจะคิดอีก โอ้ยทำไมมันดังยาวจังเลยอะไรโลกมันจะแตกถล่มหรือเปล่าไม่ต้องไปคิดอยู่กับองค์บริกรรมฝึกไว้คอสเข้มเนี่ยไม่ได้เข้มที่เดินมันเข้มที่การละกระจายขันออก กระจายขันออกขันจะเข้ามารวมกันกระจายมันออกกลับมาอยู่องค์บริกรรมเดี๋ยวมีดมันก็จะคมกริบต้นหญ้าจะโผล่ปุ๊บมันตัดฟุ๊บฟุขาดหมดโห่ไม่ได้เลย แล้วจิตจะตั้งมั่นขึ้นมาโลภะเกิดไม่ได้โทสะเกิดไม่ได้เพราะมันไม่มีการปรุงโมหะก็ปรุงความคิดต่อไปไม่ได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่มีโลภะโทสะโมหะจิต ท, ทำไมจะไม่ตั้งมัน่น เชิญที่อาสนะ